ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั้นเอาเป็นที่พึ่งเสมอไปแหละอย่าไปลืมอย่าไปลืมที่พึ่งอันประเสริฐเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มาพบพระพุทธศาสนาบนรรพบรุษของเราด้นับถือ ได้นับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วคนแล้วจนมาถึงเราในปัจจุบันนี้เราก็ยังนับถือสืบต่อจากบรรพบุรุษของเรามาโดยความไม่ประมาทการนับถือพุทธศาสนานี้ มันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรเราแสดงความนับถือด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่การนับถือก็มีอยู่สองอย่างนี้แหละคือว่าเราต้องแสดงออกทั้งทางกายทางวาจาทางคิตใจให้ตนเองก็รู้และผู้อื่นก็รู้ว่าตนนับถือพุทธศาสนาจริง มันมีสั ญ, ญลักษ์บอกอยู่คนผู้นับถือปริาศาสนานั้นมีกายก็อ่อนโยนอ่อนน้อมทอมตอนนี่ไม่ถือเนื้อถือตัวการกล่าววาจาใดก็เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานไม่หยาบคายร้กาศ เราก็ชอบกล่าวแต่วาจาที่จริงมีเหตุมีผลถ้าเรื่องใดไม่จริงแล้วไม่เอามาพูดเลยเราก็ไม่พูดสออเสียดยุโยงให้ใครแตกกล้าวสามขีกันอันมมนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้นับถือพุทราชาธนา เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราทำดีต่อกันและกันพราะเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาคนเดียวเราเกิดมาอยู่ในที่ห้อมล้อมของคนหมู่มากเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มารดาบิดาปู่ย่าตายายแล้วก็ลุงป้าหน้าอาอ พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวหรือตลอดถึงหลานเหล็นอะไรสืบต่อกันมานอกจากนี้แล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่รวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอจังหวัดตลอดถึงประเทศลองคิดดูดังนั้นเราเกิดมานี่ได้ชื่อว่า เกิดมาอยู่ในถ้มกลางแห่งชุมชนดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้กระทำดีต่อกันและกันม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าว่าอยู่ร่วมกันแล้วเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นก็หาความสุขความสงบไม่ได้เลย นี่ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็ต้องการความสุขเหมือนกันทั้งหมดเลยเกลียดต่อความทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตน <c oughs> <c oughs> เมื่อเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียน เ, เราแล้วก็เราก็อย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน ต่างคนต่างก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะจึงได้ชื่อว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งบุคคลผู้นับถือพุทธศาสนาเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงตรัส้วยว่าอะเฮงซาปรมาธรร ม, มาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง นี่แสดงว่าพระองค์ทรงเปล่งอุทานอันนี้ออกมาในตอนที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆนั่นแหะนั่นแหล ะ, ะพระพุทธพจน์นี้จึงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าทรงพิจารณาเห็นแจ้งโดยพระปรีชาญาณโดยแท้จริงจึงได้เปล่งอุทานออกนั้น อ, อย่างว่านี้ออกมา คือหมายความว่าคนเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นั่นก็เพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะเอ๋กงกันข้ามถ้าว่าเบียดเบียนซึ่ง ก, กันและกันแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยการเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นก็เท่ากับ ว, ว่าเบียดเบียนตนนั่นเองนะเพราะว่า กรรมที่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์ร้ อ, รอนนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาผู้กระทานั้นในภายหลังนี่เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแม้ว่าตนจะไม่พอใจกับบุคคลคนนั้นอย่างไรก็ตามเราก็ พยายามกำหนดใจและอารมณ์นั้นไม่ส่งเสริมมันเพราะว่าถ้าส่งเสริมให้มันมีความขุนเคืองมากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วมันก็จะไปเบียดเบียนบุคคลผู้นั้นจะเป็นกรรมเป็นเวรต่อไปหาความสุขสงบไม่ได้นี่แหละการฝึกตอน การนับถือพระพุทธศาสนานี้ผู้นับถือพรทศาสนาที่จะได้ผลจริงก็เป็นผู้ลงมือปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้ให้เต็มความสา ม, มารถสิ่งใดที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละให้เว้นเราก็เพียรพยายามละเว้นตามสิ่งใดที่ทรงสั่งสอนให้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มี ก็พยายามบำเพ็ญให้เกิด ใ, ให้มีขึ้นในตอน อ, อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้นับถือนับถืออย่างจริงจังไอ้นับถือแต่ว่าจะเฉยๆกล่าวออกมาว่าข้าเป็นชาวพุทธข้านับถือพุทธศาสนาแต่แล้วไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้า การนับถือนั่นก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นไม่มากเลยเพราะว่าความนับถือเะนั้นมันไม่สามารถที่จะลากความชั่วและกระทำความดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาจิตของตนได้ <c oughs> ในาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ทรงสอนให้ลงมือกระทำ ไม่ได้ทรงสอนให้บวงสรวงบูชากราบไหว้แล้วอ้อนวอนขอโชคขอลาบอะไรให้บังเกิดมีขึ้นโดยที่ตนเองไม่ต้องทำงานอะไรกากรมลำบากอยากให้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นโดนบันดาลให้ได้สิ่งที่ตนต้องการปรารถนา อย่างนีนะ้หรือว่าอยากให้คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ช่วยโดนบันดาลให้ตนมีลาบมียศมีสรรเสริญเยินยอมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยพิบัติอันตรายต่างๆหมู่นี้นะเอาอธิษฐานอ้อนวอนขอให้คุณพระรัตนกรายนี้ช่วยให้ได้สิ่งที่ต้องประสงค์เหล่านี้ มีแต่เพียงแค่อ้อนวอนกราบไหว้เท่านั้นไม่ไหวเพราะคุณทั้งสามนี้จะช่วยผู้นั้นไม่ได้เลยต่อเมื่อผู้นั้นแหละลงมือกระทาตามเช่น <c oughs> อย่างว่าทรงสั่งสอนให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกล่าวมุสาวา่าดื่มจุราเมาีัยเครื่องดองของเมาทุกชนิดอย่างนี้เราก็ละเว้นตามเลยอ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องหาเรื่องขัดข้องอะไรมาอ้างอิงมันละละมันไปเลยเพราะว่าเมื่อบุคคลมาละความชั่วเหล่านี้แล้วการกระทำความดีทางอื่นนั้นมันทำได้อยู่แล้วการทำมาหาเรี่ยงชีพอย่างอื่นซึ่งไม่ขัดต่อข้อศีลเหล่านี้มันก็ไม่อยู่นั่นแหละ บุคคลสามารถที่จะแสวงหาการงานต่างๆซึ่งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมเหล่านี้ได้อยู่ทําไมจะไม่ได้ลนะ่ะ <c oughs> เช่นยกตัวอย่างการทําสวนทํานาเอมูนี่ทําการค้าขายมูนี่ถ้าหาว่าเราตั้งอยู่ในศีลแล้วมันก็ไม่มีโทษอะไรมันทําไปได้อยู่นี่ออทําได้อยู่บุคคลผู้มีศีลก็ดี ทำนาก็ได้ทำสวนก็ได้ทาการค้าขายก็ได้ทาราชการงานเมืองก็ได้หรือเป็นช่างก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆหมอนี้นะมันทําได้ขนางนั้นละผู้มีศิลเน่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปทรงบัญญัติห้ามแต่ผู้รักษาศีลแล้วห้ามไม่ให้ทํานา ท, ทําสวนไม่ให้ทําการค้าขาย ไม่ทำการช่างอะไรต่างนี้ไม่ใช่เพราะองค์ไม่ได้ห้ามแถมยังแนะนำสั่งสอนให้ขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพต่างๆเหล่านี้ให้เต็มความสามารถเลยเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ให้รู้จักแบ่งสรรแบรส่วนใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ได้โมนพีพระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งนั้นเลย แต่ว่าคนเรานั้นไม่คิดไม่วิจารณ์คําสอนของพระเจ้าให้ถี่ท่วนนะเลยพอได้ฟังได้ยินพุทธบัญญัติท้ามอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ท้อใจเลยไม่สนใจคําสอนเลยไม่น้อมเอามาวินิจฉัยเลยอที่พระ อ, องค์ทรงห้ามอย่างนั้นแล้วก็ทรงเ น, น้นําให้ทําอย่างนี้ อย่างนี้เราสามารถทาตามได้ไหมมีช่องทางใดบ้างอย่างนี้เมื่อมานอกเข้ามาพี่นามันก็ต้องมองเห็นช่องทางได้เลยแต่ว่าการที่บุคคลจะ เ, เว้นจากคุทธบัญญัติได้ก็ดีทาตามข้อที่ทรงแนะ น, นาสั่งสอนให้ทำได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ทำตนให้เป็นคนมากน้อยสันโดษ เสียกรนมันก็ยังทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าบุคคลยังทำตัวเป็นคนมากๆในปัจจัยทั้งสีน่นี้เกินขอบเขตแล้วบุคคลพวกนั้นย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ไหนเลยเพราะว่า <c oughs> เมื่อบุคคลมากๆแล้วอย่างนี้นะ หากว่าหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้อย่างเนี้มันก็ต้องวางแผนหาเอาในทางทุจริตไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันมันความอยากมันท่วมท้นจิตใจมากนี่หาเอาในทางสุจริตนี่มันไม่ได้ทันความอยากความปรารถนามันก็เลยคิดวางแผนไปจี้ไปปล้นไปหลอกลวงช่อโกงต้มตุนเอาสมบัติของผู้อื่นมาได้อย่างง่ายงาย่อย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นการชอบโกงหลอกลวงต่างวันนี้ก็จัดเข้าในศิขาบทข้อที่สองคืออธินาทานนั่นเองดนถือว่าเป็นผู้ล่วงเกินสิขาบทข้อที่สองนั้นอันนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพาการศึกษาสำเนียกให้ดีการนับถือพระพุทธศาสนานี่ ถ้าบุคคลมาส้ำเนียกให้ดีแล้วอย่างนี้นะก็จะเห็นลู่เห็นทางที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระเทเจ้าได้ไอเราทําตัวเป็นคนมากน้อยสันโดษอย่างนี้นะมันแสนสบายเลยอะมากน้อยนั้นหมายความว่าต้องการอยากจะให้กิเลสบาปประธรรมในจิตใจนี้ให้มันน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆ ทำอย่างไรกิเลสบาปประทำนี่มันจะน้อยบาบางเราก็พยายามประกอบความเพียรทางจิตใจเข้าไปละมันเข้าไปอที่มันจะน้อยลงไปได้ก็เพราะเราเพียรละมันไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่คนส่วนมากไม่ได้เพียรละ ก, กิเลสนะบาปประทำเหมือนกันแต่ตนทําตนลุ่มหลงทําบาปมาแล้วอย่างนี้ก็ช่างมันอาอบาปก็บาปไปทอทํำยังไงมันจําเป็นนี่ คนส่วนมากคนส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ไม่คิดว่าจะละบาปนั้นเลยเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้บาปนั้นมันตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารอย่างไรเล่า <c oughs> คิดดูให้ดี <c oughs> ไอ้พวกที่บาปอากุศณสนตาา่างที่ทนรุ่มหลงกระท ม, มานั่น จะไม่ติดสอยห้อยตามให้เป็นทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปนั้นก็เพราะผู้ใดมารู้ตัวแล่าอย่างนี้เห็นโทษของบาปนั้นชัดชัดแล้วอธิษฐานใจเว้นหรือสมมตานว่าต่อห น, นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทําบาปอย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้นะแล้วบาปที่ได้ทําร่วงล้ามาแล้วนั้นก็ยอมรับว่าเป็นบาปจริงเพราะยังไม่รู้ตอนนั้นน่ะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ทำอีกต่อไปเนื้อต่อจะ <c oughs> ต่อจากนั้นก็ไหวพระภาวนาจเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูต่อกันและกันมาแต่ก่อน ก็ขอให้อย um <c oughs> ู和和和่เย็นเป็นส erm ุขขอจะได้ขอจะได้มีเวรมีภัยถกันและกันเลยอย่างนี้นะเรานั่งภาวนาสํารวมจิตใจให้แนวไน่แล้วก็อธิษฐานในใจอย่างนี้เสมอไปอ่ะสัตว์จำพวกใดที่เราเคยเป็นศัตรูเคยเบียดเบียนมาอย่างนี้นะ ก็ขอให้อโหาสิกรรมต่อกันและกันอย่าได้ผูกอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเลยกุศลผลบุญอะไรที่เรากระทำบำเพ็ญมาเราขออุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูเมื่อรู้รับรู้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศไปนี้แล้วขอได้อนุโมธนา เอาส่วนบุญกุศลเหล่านี้แล้วก็ขอให้มันลุถึงซึ่งความสุขในภพนั้นนั้นเถิดเราอธิษฐานใจอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราทำมาให้แต่สำนวนสมัยใหม่นี้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะจะว่าอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันแหละเพราะว่าคนส่วนมาก เกิดมาในโลกเนี่ยซึ่งจะไม่ได้ทําบาปไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั้นรูมันจะไม่มีแต่การเบียดเบียนสัตว์นี่แหละนับว่าเป็นพื้นมาเสมอทีเดียเราตั้งแต่รู้เรียงสามาจนตลอดมาได้ฟังคําสอนพระเจ้าแล้วจึงได้รู้สึกว่าการกระทําเช่นนั้นมันเป็นบาปเป็นโทษนี่นะดังนั้นเลย พระศาสดายังได้ทรงสอนในเจริญภาวนาเสมออย่าไปเกียดคร้านเพราะว่าตนนั้นมันมีกรรมมีเวรติดตัวอยู่ เ, ออเพียรพยายามภาวนาเแล้อแผ่เมตตาจิตต่อสรรพะสัตว์ทั้งหลายเลื่อยไปถ้าบุคคลใดเพียรพยายามเจริญเมตตาแผ่เมตตีจิตอุทิศส่วนกุศลไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรู ดังกล่ามานั้นนะนั่นแหละบาปกรรมที่ได้ลุ่มหลงกระทำมานั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าใครไม่ได้ไหว้พระไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ฝึกใจให้สงบไม่ได้เจริญเมตตาดังกล่าวมานั้นนะ่ะบาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นได้ลุ่มหลงกระทำมานั้นมันจักไม่หมดไปจากกิจใจของผู้นั้นเลย มันจะติดสอยห้อยตามอยู่งั้นแหละเมื่อหากว่าบุญเก่าที่ตนได้ทามาแต่ชาติก่อนนั้นหมดลงเมื่อใดแล้วบ้านี่บาปใหม่บาปกรรมอันที่ตนทาเอาใหม่นี้ก็มีโอกาสให้ผลสืบต่อเลยอ่ะนั่นแหละกล่วาวําว่าเมื่อบุคคลหมดบุญแล้วก็ตายพอจิตวิญญาณออกจาก ร, ร่างนี้บาปอกุศลที่ตนํำมามันก็รองรับเอาไปเลย นันเป็นอย่างนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้น ะ, ะพระองค์เจ้าตัดสรู้แจ้งแทงตลอดจริงๆเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษหมดเนีย่ยเมื่อพระองค์ไม่รู้แจ้งเรื่องหมดนี้นะพระองค์ไม่สามารถที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เลยพระองค์ก็ละตั้งแต่ต้นนี่แหละไปก่อนละตั้งแต่บาปเอาคุณสมุทัยไปเรื่อยอจนว่า รวบรวมบุญกุศลบารมีธรรมที่ได้สั่งสมอรมมาแต่อาเนกาชาตินั้นนะมารวมกำลังกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วในเดือนหกเพนประจัน์เต็มดวงครั้งกันนู่นนั่นแหละพระบารมีธรรมของพระ อ, องค์น่ะจึงได้คำจัดอาสวะกิเลสบาประธรรมต่างๆเหล่านั้นให้ระงับดับไป ดังที่เราจะได้รู้ได้ฟังกันมาอยู่ไม่ใช่เหรอตอนปฐมยามที่พระองค์เริ่มเจริญสมถะเข้าไปนั่นอมานมานคือกิเลสบาปรธรรมนั่นเองเนี่ยนั่นมันก็ยกพวกกันมามาขู่เข็นพระองค์ขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีออกจากแทนบัลลังก์นั้นนี่จะจะไม่ให้พระองค์เจ้าใจ บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเลยอ่ะก็นั้นแหละเรื่องกิเลสบาปธรรมออย่าไปเข้าใจว่ามันจะหมดไปสิ้นไปได้ง่ายๆเมื่อไรอ่ะตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนนะก่อนตัดสโรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระองค์ก็ยังได้เผชิญกับกิเลสบาปธรรมเหล่านี้นะก็ะคาว่ามา น, นั่นก็คือบาปนั่นเองเนี่ ไม่ใช่อื่นกายบาปกับกิเลสมันก็อันเดียวกันนั่นแหละผสมประสานกันอยู่นั่นแหละเพราะการที่บุคคลยังมีกิเลสกิเลสพาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นนะนักปราชญ์ท่านกล่าวว่ายังเป็นบาปอยู่นั่นแหละยังมีบาปติดตัวอยูอ่เพราะว่ากิเลสมันนําไปให้เกิดเป็นลูกเป็นน้ำนี้ขึ้นมาแล้ว พอจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาไอ้ใจของผู้นั้นก็มีแล้วนี่สแสดงออกมาแล้วสแสดงความโลภความโกรธความหลงออกมาแล้วตั้งแต่เป็นเด็กแู้วนะแต่เป็นเด็กเป็นเล็กน่ยใครทําอะไรไม่ชอบใจแล้วก็โกรธร้องไห้ทําอะไรเพื่อไม่ได้นะ่ะเอาร้องไห้เข้าไปเป็นประมาณอา้าวถ้าเด็กคนไหนมันพูดได้แล้วอย่างนี้มักดาแช่องอะไรไปนะสังเกตดูสิ นั่นแหละกิเลสมันติดตามมาตั้งแต่ชาติก่อนนู่นมันติดตามดวงกิัล น, นมาเพราะมันเกิดเป็นคนมาพอพูดได้เท่านั้นแหละมันแสดงบทบาทออกมาเลยอันนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนะ่ะผู้ที่ท่านพี่ยาณาเห็นทำอันลึกซึ้งท่านจึงเบื่อนาย ในการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏิสงสารนี้นะเพราะว่าบางชาติมันก็ลงไปทำบาปทำกรรมและบาปกรรมนั้นมันก็นำไปสู่ทุกขติภูมิใดภูมินึ่งถ้าบาปหนักก็ไปนรกถ้าบาปเบาก็เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์ดิราชานบ้างนี่แหละ การเกิดนี่จึงชื่อว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเลยอ่ะถ้าผูใ้ใดสะสมบาปอากุศลไว้ในใจแล้วมันก็จะต้องได้ไปเกิดในภูมิทั้งสี่นั้นภูมิใดภูมิหนึ่งอ่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เลื่อยไปนะไม่แล้วถ้าผู้นั้นมีบาปอากุศลติดตัวอยอะ มันจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้ไม่ได้ก่อนก็ต้องไปเสวยผลของบาปเสียก่อนแล้วเมื่อบาปกรรมนั้นหมดอายุมันลงเมื่อใดบุญที่ตนทำมานั้นมันก็ให้ผลสืบต่อเมื่อนั้นแหละถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกแสดงว่าบุญที่บุคคลกระทานี่มันก็ไม่สูญหาย ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นทำบาปมากกว่ากว่าบุญจะไปเสวยผลของบาปนั้นก่อนแต่บุญมันก็รอคอยอยู่นั้นแหละ ต, ต่อเมื่อหมดอายุของบาปแล้วบุญนั้นจึงได้ให้ผลสืบต่อไปแต่ถ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยว่าถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำบุญกุศลเสียเลยแล้วทำแต่บาปอย่างนี้นะ แ ล, แล้วบุญกุศลในชาติก่อนนันก็หมดลงแล้วแล้วชาตินี้ก็ไม่ได้ทำไว้อย่างนี้อ่ะวันนี้พอพอตายลงอันนี้พอตายล ง, <c oughs> ยลงก็ไปสู่นรกเมื่อไปสู่นรกแล้วไม่มีกำหนดหมายว่าจะได้พ้นจากนารกเมื่อไร่้อเหตุว่าผู้นั้นไม่มีบุญกุศลที่จะคอยให้ผลสืบต่อ ได้เลยนี่มันเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นอภุตตะศเศรษฐีที่เคยแสดงให้ฟังมาบ่อยๆมีสมบัติตั้งสี่สิบโกดแล้วตานีเหนียวนน้นไม่ได้ทำบุญนำทานอะไรเลยเกิดมาในพบพระ พ, พุทธเจ้าแท้ๆอยู่โทเมืองสาวถีนั่นแหละไม่ได้ทำบุญนำทานอะไรเลยอันนี้บุญกุศลที่ ตกแต่งให้เป็นเศรษฐีมาแล้วสังเกตชาตินั้นหมดลงในชาตินั้นเลยแล้วในชาติปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้ทำบุญอะไรเม้แต่น้อยเดียวพอตายแล้วก็ไปตกมาหาโลรนะู้วนรกนู่นพระเจ้าประเสริฐที่กุศลเสด็จไปทูลถามพระองค์สาเหตุเรื่องนี้มันจะปรากฏนะองค์เจ้าตรดว่าอบุบาสกเศรษฐีนี่ ไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรในน้อยหนึ่งเลยในปัจจุบันนี้แล้วบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนก็หมดลงแล้วพระเจ้าประเสียรที่กุศลย่งในทูลถามว่าแล้วเมื่อไรเขาจะได้พ้นไปไม่มีกาหนดพ้นเลยเพราะว่าเขาไม่มีบุญกุศลอะไรจะจูงเขาออกจากนรกได้เลยอย่างนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นแหละ <c oughs> เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบอย่างนี้แล้วอย่าพากันนิ้งโน่นใจก็จึงได้ไหวพระภาวนาฝึกจิตใจของตนให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยแก่สามประการนี้ว่าถือเอาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆแหละฝพิกจิตใจนี้ให้มันทำความพอใจในบุญกุศลที่ตนกระทำบำเพ็ญมา นับแต่การให้ทานการรักษาศีลการกราบการไหว้การภาวนาทำใจให้สงบระ ง, งับลงไปหมู่นี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยเรามาทาความชื่นชมยินดีในความดีที่เรากระทามานี่เพ่งอยู่ภายในนั้นจนว่าใจมันสงบลงไปด้วยอำนาจแห่งบุญคุณนี่แหละเมื่อเราเพ่ง ทำความยินดีในบุญในคุณนี้มากๆเข้านะใจมันสงบลงได้เลยมันจะไม่ปรุงแต่งไปในเรื่องอื่นใดมันจะไม่ทะยอยทยานดิ้นหลนไปกับเรื่องภายนอกเลยเพราะว่ามันเห็นอํานาจแห่งบุญและคุณเนี่ยเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำใจให้เย็นทำใจให้สบายทำใจให้อบอิม่ม อ, อย่างนี้แล้วก็เจริญปัญญาต่อ เมื่อใจสบายแล้วก็พิจารณาธาตุสีขันห้าอันนี้ให้เห็นเป็นอ น, นิจจังทุกครั้งอนาตาเสมอเสมอไปอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของของเราอะ่ะเมื่อเห็นแจ้งอย่างว่าแล้วก็ปงก็วางทำใจให้รวมเป็นหนึ่งลงไปพร้อมด้วยญาณความรู้อันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้